สิกขาบทที่ 6. ภิกษุนีปรนิบัติภิกษุผู้กำลังฉันด้วยน้ำดื่มหรือด้วยการพัดต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ยืนอยู่ในระยะหัตถบาทต้องอาบัตปาจิตตี 2. ยืนพ้นระยะหัตถบาทต้องอาบัตทุกกฏ